การผจญภัยของทอมนิทานเรื่องนี้เกี่ยวกับหนุ่มน้อยนามว่าทอมสเวเยอร์ทอมอาศัยอยู่กับป้าพอลลี่ในเมืองเล็กๆป้าพอลลี่เป็นคนดีเธอรักทอมและอยากจะให้ทอมเป็นเด็กดีแต่ทอมเป็นเด็กดือ้อทอมตื่นได้แล้วจะไปโรงเรียนสายนะจ๊ะ พ่อไม่รู้หรอครับว่าวันนี้โรงเรียนเปิดนะพ่อของครูสนักเก้เพึ่งไปโอ้งั้นเหรอหน่าสงสารครูสนักเก้จังเ อ, อสวัสดีค่ะครูสนักเก้าอ๋อได้ยินเรื่องพ่อของครูนะคะฉันเสียใจขอให้ท่านไปอะไรนะคะอ๋อท่านไปเดินเล่นอ๋อนั่นนั่นเยี่ยมเลยค่ะ มันดีต่อสุขภาพที่จริงแล้วเราควรไปเดินออกกำลังกายคะ่ะครูสนาโก้ฮะโอเคค่ะเออฉันขอโทษที่รบกวนนะคะสวัสดี <c oughs> เกิดอะไรขึ้นครับโอ้เจ้าตัวแสบโกหกแบบนี้ได้ ย, ยังไงพ่อครูสนาโก้ยังไม่เสียสักหน่อยท่านสบายดี <c oughs> ผมไม่ได้บอกว่าเสียชีวิตสันหน่อยผมแค่บอกว่าไป เขาคงหากันเจอแล้วล่ะมัง้งครับอ oh, จะทำยังไงกับเด็กคนนี้ดีนะเนี่ยวันนี้อากาศดีจังเลยแล้วใครเนี่ยอยาจะไปโรงเรียนกันเล่าถ้าไม่มีป้าพอลลี่คอยห้ามโน่นห้ามนี่ก็คงจะดีคิดออกแล้วไปเล่นกับฮักแล้วก็ค่อยกลับบ้านดีกว่าป้าพอลลี่ไม่รู้หรอกว่าเราไม่ได้ไปโรงเรียน ไอ้ทอมสเวยเยอรเนี่ป้าพอลลี่อยู่ไหนล่ะแกไม่น่าก้าออกจากบ้านมาคนเดียวใครจะช่วยแกได้ละคราวนี้ไรอนเรนโนคิดว่าฉันจะกลัวแกเหรอน่่าสองคนทำอะไรกันอยู่เนี่ยหยุดตีกันเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวก็เจ็บตัวกันพอดีไม่นะชุดเพื่อนหมดแล้วอะป้าพอลลี่ก็รู้สิว่า เราไม่ได้ไปโรงเรียนน่ะทำยังไงดีย่องเบานี่ธอมป้ารู้นะ้ว่าเป็นหนูคิดแล้วว่าป้าจะไม่ทำโทษที่หนูไม่ไปโรงเรียนแถมไปต่อยกับไรอันเรนโน่ดื้อจริงๆเลยแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้ทาสีรัว้วห้ามออกไปเล่นข้างนอกแต่ว่าเขาเริ่มก่อนนะครับอย่าเถียงป้านะธอมทาสีรัว้ว ครับป้าพอลลี่เช้าวันเสาทำมองรัวด้วยความตกใจอะไรกันเนี่ยต้องทาสีโรยอะขนาดนี้เลยเหรอไม่นะแล้วจะได้ไปเล่นยิงลูกแก้วกับจับโจรตอนไหนเนี่ยแย่แล้วอยากเป็นฮักบ้างจังไม่มีผู้ปกครองแล้วก็ไม่มีใครที่จะม ทำโทษทีนี้จะทำยังไงดีละ่ะแต่ทอมเป็นเด็กฉลาดเขาคิดออกแล้วลาลาลาล า, ลาเดี๋ยวนะ<ม>แบบนี้น่าจะดีกว่าทอมโดนป้าทำโทษอีกแล้วเหรอลาลาลาลาทอมได้ยินที่เราพูดไหมเนี่ย <S <S ฮะเอ โทษทีฉันกำลังเ อ, อ่ยยุ่งกับทำงานศิละปะอยู่อ่ะโดนทำโทษแบบนี้แล้วทำไมอารมณ์ดีจังเลยอะไรทำโทษอะไรกันเคยเห็นเด็กทาสีกันกี่คนละ่ะเมืองนี้ต้องการสีสันบ้างฉันก็เลยตัดสินใจที่จะลงมือทาสีเพื่อเพิ่มสีสันโดยที่เริ่มจากรัวนี่เลยพวกนายน่ะไปเล่นลูกแก้วกันเถหน้าฉันน่ะเป็นจิตรกร ท่าสีสนุกจะตายลาลาลาลาลาลาฉันอยากเป็นจิตกรด้วยให้ฉันลองท่าน่อยสิเอ่อไม่รู้สิไม่ใช่ทุกคนจะเป็นจิตก ร, กรได้น ะ, ะไม่เอาหน้าทอมเราเป็นเพื่อนกันนะใช่ไหมขอลองหน่อยสิแต่งานท่าสีเป็นงานสำคัญมากนะอยากทําก็ต้องจ่ายมาเพื่อนของทอมไม่คิดนาน แล้วก็รีบยื่นของเล่นและช็อกโกแลตให้กับทอมและแลกเปลี่ยนกับการทาสีรัว้วเด็กผู้ชายต่างพากันมาทาสีรัว้วและไม่นานรั้วก็เต็มไปด้วยสีสันเห็นมะใครๆก็อยากทำอะไรที่เป็นประโยชน์ทำงานโง่ๆอย่างทาสีรั้วยังทำกันเลยอ่ะา <laughs> โอ้ตายจริงหลอนทาสีรั้วเสร็จในไม่กี่ชัว่วโมงครับป้าพอลลี่ งานนี้น่ะหนักมากเลยครับป้ า, หาเหนื่อยจังเลยผมออะขอไปเล่นได้ไหมครับเอ่อได้ได้สิจ๊ะโอ้ทำไมทาเสร็จเร็วจังเลยไงฮักไงฟิวฟังนะฉันไปเจอที่เล่นใหม่มาที่ที่ไม่มีใครบอกให้เราไปโรงเรียน หรือว่ากลับบ้านก่อนตะวันตกดินจริงเหรอที่ไหนอเกาะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำโอ้โหแต่แม่ฉันไม่ให้ไปแน่ๆเลยถ้าฉันไม่ต้องบอกแม่ทุกเรื่องก็คงจะดีนะก็อย่าบอกสิไม่ต้องบอกใครเลยเราเนอะโตพอแล้วที่จะไปไหนมาไหนได้เอง ทั้งสามเห็นพ้องกันและล่องแพไปยังเกาะซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาอยากทำมานานไม่มีใครมาห้ามว่าอย่าไปที่นั่นที่นี่ห้ามว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้พวกเขาเล่นจนพอใจตอนแรกพวกเขากินผักผลไม้สดอืมอร่อยจังเลยทำไมต้องทำให้สุกด้วยละ่ะมันเสียเวลาเปลอาเปล่าเห็นด้วยเลย ถ้าทุกคนกินผักผลไม้สดเหมือนกับพวกเราก็คงประหยัดเวลาไปได้เยอะถ้าพวกเขาฉลาดเหมือนเรานะแต่พอเล่นและกินผักผลไม้สดอยู่สองสาวันอ๋อปวดท้องจังเลยทนไม่ไหวแล้วโอ้โอโอ ฉันเวนหัวนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราเนี่ยอฉันก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันอยากให้พ่อแม่พวกเรามาอยู่นี่จังพวกเขาคงรู้ว่าต้องทำยังไงฉันเห็นด้วยฉันคิดถึงป้าพอลลี่ทำไมถึงไม่มีใครตามหาเราเลยเละ่ะไม่มีใครห่วงเราเลยเล่ะเนี่ยฉั น, นายจำไม่ได้แล้วว่าเราไม่ได้บอกใคร ไม่มีใครรู้ว่าเราอยู่ที่นี่ใช่จําได้แล้วเพราะว่าเราโตพอแล้วที่จะไปไหนมาไหนได้เองพวกเรานี่ซื่อบื้อจริงๆเลยเรื่องนั้นนายพูดถูกนะเรามันซื่อบื้อจริงๆครับฉันนึกว่าใช้ชีวิตแบบนายจะสนุกซะอีกฉันไม่เคยรู้สึกเดียวดาขนาดนี้เลยปกติแล้วชาวบ้านจะคอยดูแลฉันอยู่เสมอ เราจะทำยังไงกันดีละเพื่อนใจเย็นอย่าเพิ่งตีโพยตีพายเรายังกลับไปได้นี่นาฉันว่าเราคนใดคนหนึ่งนะ่ะกลับไปดูลาดเราที่หมู่บ้านก่อนฉันไม่นั่งแพ้กลับไปคนเดียวแน่ถ้าฉันตายละไหนๆฉันเป็นคนออกความคิดเห็นนี้ฉันจะไปดูว่ามีใครคิดถึงเราบ้างไหม พอมบอกลาเพื่อนของเขาแล้วออกเดินทางกลับไปที่หมู่บ้านเมื่อเขาถึงฝั่งเขาได้ยินเสียงคนคุยกันเมื่อเข้าใกล้ก็เห็นป้าพอลลี่และแม่ของฟิลกำลังร้องไหโ้โอ้โถโอ้หลานป้าโ อ, โอ้ลูกของแม่ มันก็ผ่านไปหลายวันแล้วรอไปคงไม่มีประโยชน์เราส่งเรือออกตามหาเด็กๆก็แล้วและอาจเป็นไปได้ว่าเด็กๆจมน้ำในแม่น้ำและพวกเราก็คงต้องยอมรับความจริงนะเราก็คงหาพวกเขาไม่เจอแล้วแล้วเราก็ควรจะเตรียมงานศพซะให้กับเด็กทั้งสามเป็นความผิดของเราเองเราควรจะดูแลพวกเขาให้ดีกว่านี้ ธอมฮักฟิวพวกเขาเป็นเด็กดีไม่น่าจะจากไปเร็วเลยโ อ, อไม่นะพวกเราทำอะไรลงไปต้องรีบไปบอกสองคนนั้นแล้วเป็นไงบ้างธอมมีใครตามหาเราบ้างไหมว่าไงธอมแม่ฉันละ่ะฟิวแม่นายคิดถึงนายมากป้าพอลลี่ก็ด้วยชาวบ้านก็ด้วยนะ พวกเขาคิดว่าเราจมน้ำพวกเขาจะจัดงานศพให้กับพวกเราแถมพวกเขาน่ะก็ส่งเรือออกตามหาพวกเราด้วยโอ้ฉันรู้สึกไม่ดีเลยไม่แปลกเลยอะที่แม่ฉันยังว่าฉันไม่มีความรับผิดชอบพวกเราทำท่านเสียใจใช่ป้าพอลลี่คงเป็นห่วงฉันมากพ่อแม่และญาติเราก็คงรู้ว่าเราเนอะก็เป็นห่วงพวกเขาเหมือนกับที่เขาห่วงเรา พวกเขารักเรามากฉั น, นรู้สึกผิดหวังจังเลยฉันด้วยฉันก็ด้วยพวกเราต้องกลับไปฉันคิดถึงหมู่บ้านเราลองนึกดูสิจะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขารู้ว่าเรามาทำอะไรที่นี่เดี๋ยวก่อนนะพวกเขาไม่จะเป็นต้องรู้เราก็แค่บอกว่าเราตกน้ำแล้วก็กระแสน้ำพัดเรามาติดเกาะ น, นี้ แล้วเราก็สร้างแพลกลับบ้านเออพวกเขาเป็นพ่อแม่เราคงรู้แล้วว่าเราสร้างแพลไม่เป็นมันก็น่าจะลองดูนะดีกว่าบอกพวกเขาว่าเราเป็นแค่เด็กเห็นแก่ตัวไม่มีความรับผิดชอบใช่ไหมพรุ่งนี้เน่เป็นวันงานศพเราไปเซอร์อพรส์รพวกเขาจะดีกว่านะโอ้ใช่ด้วยเลยละ่ะ ฉันก็ด้วยฉันไม่ใช่เด็กเห็นแก่ตัวไม่มีความรับผิดชอบแม่น้ำตังหักที่ผิดดีนะที่แม่น้ำพูดไม่ได้ขอให้วิญญาณทั้งสามจงไปสู่สุขติพวกเธอหายไปไหนหมาเราเป็นห่วงแทบแย่คือว่าแม่นำ้ำ แม่น้ำสร้างแพร่ไปก่อมาหาเราแล้วเราก็วิ่งวิ่งไปอะไรกันพอได้แล้วฟิลพวกเราขอโทษอครับที่ฟิลกำลังจะบอกก็คืออย่ากโกรธพวกเราเลยนะครับอ๋อเด็กๆคนเป็นพ่อแม่เขาไม่โกรธเกลียดลูกหรอกนะ แค่พวกหนูกลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีแล้วละจ้ะใช่แล้วฮักต่อไปนี้หนูมาอยู่กับป้ากับถมนะจากวันนี้หนูก็เป็นลูกหลานของป้าอีกคนจริงเหรอครับโอ้นอกจากหนูอยากจะอยู่คนเดียวไม่ไม่อยากครับผมรู้ว่ามีคนดูแลสั่งสอนมาสำคัญแค่ไหนผมรู้ว่าผมอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดจริงครับ ผมคงอยู่ไม่ได้เราน่ะรู้แล้วว่าการมีคนดูแลสั่งสอนมันสำคัญเราขอโทษนะครับพวกเรารักทุกคนพวกเราก็รักพวกหนูจ้ะ